ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดถึงพระสูตรซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือสตรีผู้พิชิตโลกก็เป็นวันรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่บุภารามของนางวิสาขา โดยได้แสดงแก่นางวิสาขาว่าทุกคนวิสาขามาตุคามในโลกนี้สามารถที่จะพิชิตโลกคือชนะโลกได้ถ้าหากว่าประกอบด้วยธรรมสี่ประการคือประการแรกเป็นผู้ที่ขยันเอาใจใส่ในกิจการงานเป็นอย่างดี ประการที่สองมีทิยาสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบบอมารีสงเคราะห์คนใก้เคียงขีประการที่สามีการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเป็นที่ชอบใจของสามีและประการที่สี่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ไม่ให้เสื่อมสลายไปแล้วก็ส่งยำใบ ในตอนสุดท้ายอีกว่าถ้าสตรีใดถ้ามาตุคามใดประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ี่ประการนี้ได้มาตุคามเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตโลกนี้ได้จากนั้นแสดงถึงคุณธรรมอีกสประการเมื่อาหากว่าผู้หญิงคนดใดใี้ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการก็สามารถพิชิตได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า คุณธรรมสประการนั้นก็คือศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลจากกะสัมปทาสมบูรณ์ด้วยการเสียสละปัญญาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัญญาและทรงสรุปในตอนสุดท้ายแห่งพระสูตรว่าดุก่อนวิสาขาสตรีใดที่ประกอบด้วยธรรม8ประการสมบูรณ์ด้วยคุณ16ประการนี้ สีนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิชิตเป็นผู้ชนะทางในโลกนี้และในโลกอื่นต่งนี้แต่ความของพระสุธิ์ก็มีเพียงท่านิพระธรรมเทศนาข้อนี้ดูองค์ธรรมะแล้วก็สดแสดงหลักในการปฏิบัติสำหรับคนที่ครูอยู่ครอบครองเรือนมีข้อที่ควรทำความเข้าใจในตอนแรกก็คือเรื่องของบุพาราม ที่เป็นอารามคู่กับประเชศตะ ว, วันคืออยู่โคลาฝากเมืองกับประเชศตะ ว, วันเป็นอารามที่นางวิสาขา <c oughs> มามหาห์บาสิกาสร้างถวายด้วยทุนส่วนตัวเพียงคนเดียวคือคราวหนึ่งนางวิสาขาได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ ตอนข้าวเฝ้านั้นก็ถอดเครื่องประดับที่เรียกว่าระดามหาปราศาสตรเครื่องประดับชนิดนี้ปรากฏในสมัยพุทธกาลว่ามีผู้หญิงที่มีเครื่องประดับนี้อยู่เพียงสามคนเท่านั้นเองในจมพูทวีปก็ปรากฏตามลักษณะที่ท่านบรรจายถึงการรูปร่างของเครื่องประดับแล้วก็แสดงว่าหนักมากคือคนธรรมดาสามัญก็คงจะสวมไม่ได้ นางวิสาขาก็มีทาสีคู่บารมีอยู่คนหนึ่งคือไม่จะสำหรับสวมแต่สำหรับถือเวลานางจะถอดออกก็คงจะมีลักษณะคล้ายๆกับพวกเสื้อคลุมหลังจากภาพพระพุทธเจ้าแล้วนางทาสีก็คงถืออยู่ไม่ไหวเหมือนกันก็ไปแขวนไว้แล้วก็ลืมกลับมาถึงบ้านก็นึกออก <c oughs> ก็บอกนางวิสาขาว่าลืมเครื่องประดับระดามหาปรสาสัสไว้ที่ประเทตวัน นวิสาขาก็บอกให้ไปนำคืนมาแต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าพระอานนเก็บไว้ก็อย่านำคืนมาปรากฏว่าเมื่อไปถึงทราบว่าพระอานนท่านเก็บไปเสแล้วก็ไม่ไม่นำกลับคืนมารุกงขึนเช้าก็ไปนำกลับคืนปาเพื่อจะโดยตั้งใจว่าจะสละกเพื่อประดับนี้บูชาพระรัตนตรยัย แต่ไม่รู้จะบูชาอย่างไรเพราะว่าเป็นเครื่องประดับก็เลยตกลงว่าจะขายเพื่อเอาเงินมาสร้างอารามแต่หาคนซื้อไม่ได้ ร, ราคามันแพงมากในที่สุดก็นางก็ซื้อเองด้วยเงินเท่าไหร่ก็27เดโกแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นมาสร้างเป็นบุพารามเขาเรียกว่าปราศาสตรของนางวิสาขามิคารมาตา ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นปรากฏว่าปราสาทหลังนี้พระพักคราวรับผันรูปกูคงใหญ่โตม ห, หาาชมากคืออยู่ได้เป็นพันแสดงให้เห็นว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่สร้างขึ้นเป็นรูปของปราสาทพระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับจูที่บุพพารามโดยการจําพรรษานั้นถึงหกพรรษาด้วยกันแต่ว่า ในสมัยที่ประทับอยู่ที่กรุงสาวัถีถ้าตอนกลางคืนประทับที่ประเจดตะวันตอนกลางวันจะเสด็จไปที่บุพพารามถ้ากลางคืนประทับที่บุพพารามกลางวันก็จะเสด็จไปที่ประเจดตะวันเพื่อเป็นการอนุเคราะห์สกุลทั้งสองด้วยเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนที่มาเฝ้าในอารามทั้งสองด้วยคือพวกที่มาเฝ้าก็จะรู้ว่า กังวัพุทธเจ้าเสด็จประทับที่ไหนกลางคืนเสด็จประทับอยู่ที่ไหนใครจะเฝ้าในช่วงไหนก็เฝ้าในที่นั้นๆนันนวิสาขาตามปกติก็จะมาวัดเป็นประจำเธอเป็นคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการครองเรือนอะไรแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องที่เคยเล่าในตอนต้นปัญหานั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วกมีแต่ความสะดวกสบายเช้าก็ไปวัดเย็นก็ไปวัดเป็เจ้าของวัด แต่ทุกครั้งที่ไป ท, ท, ท, ทั้งทาาั้งสองท่านเน่ยคือทั้งทัดานาติบินิกาเศรษฐีท่้นนางวิสาขาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะครั้งหนึ่งซึ่งบางครั้งแสดงในลักษณะที่จะให้นางวิสาขาไปสอนคนอื่นคือนาไปเผยแพร่ที่แก่คนอื่นเพราะคุณธรรมทั้ง8ประการถ้าดูตลอดแล้วก็เป็นคุณธรรมที่นางวิสาขาท่านมีอยู่สมบูรณ์อย่าง ดังนั้นการแสดงในลักษณะนี้เพื่อจะให้นางวิสาขานําไปแนะนําชี้แจงสั่งสอนบุคคลอื่นเพราะท่านเป็นคนดังมีบริษัทบริวารแยะไปไหนมีคนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอาศัยความเคารพนับถือความคุ้นเคยความใกล้ชิดที่คนเหล่านั้นให้แก่ท่านและท่านมีแก่เขาก็ได้นําสั่งสอนเขาเมื่อบเพิ่มคนดีขึ้นท่านเองก็จะได้บริวารที่ดีๆไม่เป็นพิษเป็นภยัย คุณธรรมทั้ง4ประการนั้นท่านทั้งหลายคงจะนึกออกในเรื่องสิงคาโลวาทัสูต ร, รแท้ที่จริงเป็นธรรมะในที่ถกแต่ในที่ถกนั้นมีอยู่5้าข้อแต่ในที่นี้มีเพียงสี่ข้อปัญหาว่าข้อที่หหายไปไหนข้อที่ห้าทรงนามาวางไว้ควบกับข้อที่หนึ่งคือในที่ถกนั้นบอกว่าจัดการงานดีแต่ในข้อนี้ทรงใช้คําว่าขยันในกิ จ, จา ก, การงานจัดการงานได้ด้วยความเรียบร้อย คือหมายความเอาควบกันสองข้อข้อหนึ่งกับข้อหม า, อาควบกันอยู่ในข้อในข้อหนึ่งการจัด ก, การงานดีนั้นก็ส่งแสดงเอาไว้ว่าเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ภายในบ้านให้เต็มตามความรับผิด ช, ชอบตามขอบข่ายงานตามลักษณะงานของตนเองแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไปสอนให้จุนจ้านวุ่นวายกับงานของคนอื่นซึ่ง เป็นลักษณะของแม่บ้านแม่เรือนที่เป็นสีบ้านสีเรือนคือดูแลเอาใจใส่มีความหมั่นขยันดูแลเอาใจใส่ในกิจการงานและการงานต่างๆก็เรียกว่าทํางานเป็นทํางานได้ทํางานดีแล้วก็ทํางานเป็นตลอดจนถึงเป็นงานไม่ใช่ไปอุ้มงานอะไรเอาไว้ทั้งหมดจนไม่แบ่งสรรปันส่วนให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาภาระแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกระทอดทิ้งละเลยไปเลยก็มอบหมายให้คนใช้ทําไปเชื่อทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็อยู่ในสันฐานประมาณที่เข้าใจในการจัดงานว่าอะไรเราควรทำอะไรเราควรสั่งอะไรควรตรวจสอบอะไรควรติดตามเป็นต้นซึ่งก็ทรงแสดงลักษณะการทำงานในลักษณะของคนทำงานด้วยแล้วสั่งคนอื่นให้ทำงานด้วยแต่ว่านฐานะที่เป็นผู้สั่งให้คนอื่นทำงานนั้นทรงสอนให้ติดตามงานคือไม่ใช่สั่งก็สั่งไปแล้วโดยไม่ได้ตรวจสอบว่ามีความบกพร่อง หรือว่ามีความถูกต้องเหมาะสมขนาดไหนเพราะการงานที่สั่งไปนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องยุติดีแล้วเรียบร้อยแล้วบางครั้งก็อาจจะบกพร่องซึ่งเราก็แก้ไขได้ทันบางครั้งดีแล้วก็ควรจะยกย่องสันเสริญคนที่ทางานเพื่อเป็นกาลังใจแก่เขาเ่งข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าแล้วก็จริงไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะเมื่อคนสามารถสร้างให้เป็นพื้นอัธยาศัยของตนเองในความเป็นผู้ขยัน จัดทำกิจการงานให้สําเร็จไปลงด้วยความเรียบร้อยนั้นเวลาแกเปลี่ยนจุดของแกไปอยู่ในฐานะอื่นนอกจากฐานะแม่บ้านก็จะกลายเป็นคนมีปกติอย่างนั้นมีพื้นอัธยาศัยอย่างนั้นก็สัมดงออกมาได้แม้ในงานที่กว้างขวางออกไปเป็นการสอนในรูปของพัฒนาการคือตั้งจุดจากชีวิตของครอบครัวไปสรุปว่าให้ทํางานเล็กให้ได้ซสียก่อนไม่ใช่วันนิ่งๆจะทํางานใหญ่ แต่ตามปกติแล้วคนเราไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นบางที่เป็นลูกวัดแต่ขี้เกียจจะเรียนหนังสือนั่งวิาพากษ์วิจารณ์สมภานควรจะทาํา ง, ง, งานอย่างนั้นงานอย่างนี้ไองานลูกวัดตัวเองอยังทําดีไม่ได้ยากคิดจะทำงานสมผานหรือแม้แต่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกันคนใช้ไปวิจารณ์นายควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ไอตัวเองเป็นคนใช้ที่ดียังไม่ได้แล้วก็ไปแนะนํางานงหรืแม้แต่บางทีคนขับรถนะฮะไปวิจารณ์งานของนายกรัฐมนตรีได้ไม่เบา แต่ตัวเองแกตัวตัวแกเองขับรถยังไงปล่อยให้รถสกรปรกเลอะเทอะรกรุงรังนี่คือลักษณะของคนชี้มักจะมองอะไรนอกจากตัวเองแทนที่จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่ตัวเองส่วนของพระพุทธเจ้านั้นทรงสร้างในรูปของพัฒนาการคือฝึกปลือจากจุดเล็กไปก่อนเอาให้ดีในจุดนี้ไปก่อนพอแม่บ้านนั้นไปอยู่ในจุดอื่นมันก็ดีอย่างนางวิสาขานั้นเราจะเห็นว่าท่านทํางานได้ระดับชาติ ระดับประเทศท่านก็ไปของท่านได้แต่เริ่มจากฐานของครอบครัวคือฝึกปลืออบรมมาตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่เล็กๆท่านถูกอะไรปู่เมตตากรเศษฐีสงให้ไปรับสเสด็จพระพุทธเจ้าได้อายุเจ็ดขวบท่านนัเองท่านทํางานกองท่านได้อันนี้เพราะอะไรเพราะจากจุดที่เริ่มฝึกปลืออบรมมาตั้งแต่ครอบครัวมาแล้ว ประการที่สองนั้นเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยไมยตรีมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อคนใกล้เคียงคือคนข้างเคียงรือคนใกล้เคียงช็นว่าดูแลสารทุกสุขดิบการเป็นอยู่เก็บข่ขยได้ป่วยของบุคคลเหล่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นจะต้องดูแลเจริญใสเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของแม่บ้านเพราะในข่า ในคําว่าแม่บ้านนั้นก็มีคนที่เกี่ยวข้องซึ่งแม่บ้านจะต้องรับผิดชอบอยู่เป็นอันมากทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำหน้าที่ที่สําคัญก็คือแสดงออกซึ่งความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อบอ้อมารีต่อบุคคลเหล่านั้นเอาใจใส่คือแสดงความมีน้ําใจนั่นเองทีนี้คนเราพอเริ่มจะจุดเล็กๆที่สงเคราะห์คนใกล้เคียงได้ญาติพี่น้องกันได้ญาติ พ, ะะพี่น้องเราก็มีเชื้อความรักความเมตตาความผูกพันกันอยู่เป็นอันมากแล้ว เพิ่มอะไรขึ้นอีกนิดหน่อยเราก็สงเคราะห์ได้เพิ่มความรักความเมตตาขึ้นอีกนิดก็สงเคราะห์กันไปได้แล้วแสดงว่าปริมาณของความรู้สึกนั้นมันได้เพิ่มขึ้นภายในใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่ออกไปถึงบุคคลอื่นแล้วก็กลายเป็นการสร้างมิติจิตต่อบุคคลอื่นได้กระจายตัวทั่วไปเวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในจุดอื่น ถึงอาจจะในหน้าที่การงานในทางสังคมในทางตระกูลวงเป็นต้นมันก็ออกไปเองแต่เริ่มจากจุดย่อยให้ได้เสียก่อนประการต่อไปก็คือทำอะไรให้เป็นที่พอใจของสามีนี่ก็เป็นการปฏิบัติตนซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงก็เป็นหน้าที่ประการหนึ่งสามีนั่นก็เป็นคนอื่นเป็นชาวบ้านแต่สายความผูกพันกันในปัจจุบันบ้าง ในอดีตบ้างสองอย่างผสมสนับสนุนกันจุบบ้างแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตนในปัจจุบันนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากว่าจะสามารถผูกครองจิตใจของบุคคลไว้ได้หรือไม่ในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าท า, ทางที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเรื่องเหล่านี้ก็มีการเผยแพร่สั่งสอนกันมาเป็นเวลานานแต่ว่าก็จะมีการเน้นไปในทางไม่พยายามสร้างเหตุแต่ต้องการผล ให้สามีรักให้สามีลุ่มหลงชื่นชมยินดีอยู่เฉพาะตัวเองเท่านั้นแต่ในขณะตัวเองจะกล้าร่าวรุนแรงหยาบคายกับยังไงก็ไม่ได้วิเคราะห์แก้ไขจนบางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปของสเสน่ห์อยากแฝดเป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติตนเองเป็นการสร้างกริยาปฏิกิริยาขึ้นมาแต่เราสร้างกริยาที่ดีๆ เชื้อพื้นของความรักความหวังดีต่อกันนั้นมีมากมายอยู่แล้วแล้วคนเราขนาดว่าให้สามีชื่นใจไม่ได้ให้สามีวางใจไม่ได้นั้นจะให้คนอื่นชื่นใจไม่ได้เพราะคนอื่นไม่มีเชื่อของความรักอยู่ก่อนมันอาจจะเริ่มมาจากเฉยๆอยู่ก่อนหรืออาจจะเริ่มมาจากความเป็นศัตรูอยู่ก่อนซึ่งก็เราทำยากกว่าที่จะให้เขาชื่นชมยินดีขอคารพนับถือยกย่องสรรเสริญ แต่ส่วนสามีนั้นมีเชื้อของความรักความหวังดีปรารถนาดีอยู่มากมายกลากองแล้วก็เพิ่มเชื้อขึ้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็สามารถที่จะครองใจสามีไปได้การที่3นั้นเป็นแสดงถึงลักษณะของสังคมครอบครัวคือในสมัยก่อนซึ่งไทยเราเองก็รับรูปแบบเหล่านี้มาแต่ปัจจุบันนั้นเราจะว่าผู้ชายเห็นแก่ตัวหรือไม่ว่าใจผู้หญิงหรือผู้หญิงก็จะเป็นยังไงกไม่รู้ก็บางทีมันก็ออกจะเปลีย่ยนไป คือไม่ได้มอบหมายให้แม่บ้านรักษาทรัพย์สมบัติในบางแห่งแต่ถ้าที่มาเคยสังเกตคนที่คุ้นคุ้นกันรู้จักกันครอบครัวใดก็ตามที่ว่าพกสตางค์กันคนละกระเป๋าต่างคนต่างก็รับผิดชอบไปไม่ไม่ค่อยมีความเหนียวแน่นนะอาจจะมีการทะเลาะไม่ไว้วางใจกันแล้วก็เกี่ยงกันเพื่อให้คนนั้นจ่ายเรื่องนั้นคนนี้จ่ายเรื่องนี้ในฤี่สุดคล้ายๆกับว่าคนนอกมาอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน มีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องร่วมกันในรับประทานอาหารเป็นต้นนั้นเองซึ่งในความมียื้อยายความมีมัยตรีในความผูกพันกันในจันของคนที่ร่วมชะตากรรมกันหรือว่าลงเรือลำเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่ทมให้การเป็นอยู่ภายในครอบครัวก็เป็นอยู่เนี่ยคือไม่ค่อยมีความอบอุ่นเป็นไ ป, ไปอย่างแกนนไปอย่างนั้นเอง แต่ในสมัยก่อนนั้นท่านมอบหมายทรัพย์สมบัติให้พัญญาหมดเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปเริ่มจากจุดนั้นจุดเดียวอย่าลืมว่าพระพุทเจ้าไปวางจุดอื่นไว้ด้วยคือจุดประเภทของพัญญาเจ็ประเภทซึ่งก็หมายความว่าอย่าถ้าไปเจอไอ้พัญญาที่เหมือนโจรพัญญาที่เหมือนเพชฌฆาตพัญญาที่เหมือนนายนก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนะมันก็ต้องเลือกตั้งแต่พัญญามาเพราะต่อไปนั้นเราจะต้องไว้วางใจแก่คนเหล่านั้นคือมอบหมายทรัพย์สมบัติให้แก่เขา ก็ทรงจำแนกพัญญาว่าเประเภทไอพัญญาประเภทที่เหมือนกับโจรเหมือนกับเพชฌฆาตเหมือนกับเป็นนายมันก็ต้องมองมองเอาไว้แล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องก็ไปเลือกเฉพาะที่พัญญาที่เป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนพี่นะเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องแล้วก็เป็นเหมือนกับทาสีซึ่งในทางตรงกันข้ามเวลาสอนห้กจิเรื่องสามีมันก็แยกว่า7ประเภทเหมือนกัน คือจะเลือกประเภทเพศจะค่าจะเลือกประเภทโจรจะเลือกประเภทนายต้องเลือกประเภทพ่อประเภทพี่ประเภทเพื่อนประเภทธาตุจึงก้อยธาตุก็คงจะไม่ธาตุในสมัยที่อเมริกาก็ใช้นิโกรอะไรเป็นสำนวนแต่นั่นเองนะฮะเป็นสำนวนในการใช้ทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ปัญยาหรือสามีปัญญาเประเภทไอ้สีประเภทหลังนะ สีประเภทหลังมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะมอบหมายทรัพย์สมบัติให้เก็บรักษาแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเลยซ้ําไปวันก่อนนี้เขาเล่าถึงท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือก็ออกชื่อท่านก็ได้นะครเราเป็นเกียรติกุล ค, ความดีคือพัญยานุมาน ร, ราชช น, เ, นเขาบอกกับท่านไม่พกสตานท่านไม่เคยซื้อท่านไม่เคยรู้เรื่องเลยเสื้อผ้าอาภรณ์ อ, อะไรต่อไรในราคาเท่าไหร่คือปัญญาท่านจัดให้เรียบร้อยหมดเสร็จได้ ถ้างก็สบายมีเวลาคิดค้นเรื่องตำหรับตําราขีดเขียนหนังสือนังหาสร้างสรรค์า ง, งานเป็นประโยชน์ไว้เป็นนั้นมากคือมอบหมายกันไปแบ่งแยกกันไปเสร็จมันก็จะไม่เสียเวลาในการทํางานตามภาระหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าฝ่ายที่เป็นพัญญาก็เหมือนกันคือต้องพยายามรักษาทรัพย์สมบัติที่ทรงแสดงไว้ในที่นั้นก็แสดงว่าผู้หญิงสมัยนั้นไม่เบาเหมือนกันนะฮะก็โดยการไม่เล่นการพา น, านันโดยการไม่ ดื่มสุรานะไม่เที่ยวกลางคืนโดยไม่การสุรุย่ยสุร่ายหุ่มเฟื่อยนะฮะไรสุรุย่ยสุร่ายหุ่มเฟือยก็แสดงว่าพวกอบายยมุกเนี่ยฮะอายามุก6คือบางทีก็7นะอบายยมุกนั้นทรงแสดงไว้หมวดหนึ่งสหมวดหนึ่งหกที่เราเผยแพร่ ก, กันมากาแสดงว่าผู้หญิงสมัยนั้นก็ตกหลุมอบายยมุกมากมายเหมือนกันดื่มเหล้าก็ไม่เบาเหมือนกันนะ ก็มีเหมือนกันแต่ถึงแม้จะมีน้อยก็ตามไอ้สวนเที่ยวกลางคืนก็น้อยหน่อยแต่ว่าเอาเงินทองไปใช้จ่ายสุรุยสุรายเกินความจำเป็นไปเล่นการพ น, นันอ่ะโดยการครบคนชั่วเป็นมิตรเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้ทรัพสมบัติที่สามีมอบหมายไว้มันก็สูญหายไปนี่ก็เป็นประธรรมเทศนาที่แสดงในรูปแบบสังคมหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้แม้จะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เราจะเห็นว่ามันก็คงอยู่ในรูปที่จะนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการสร้างสวรรค์วิมานขึ้นภายในบ้านแม่บ้านก็เป็นปัจจัยที่สาคัญทีนี้ถ้าหากว่าพิชิตคนภายในบ้านได้พิชิตใจคนที่เป็นสามีครอบญาติพี่น้องครอบครัวภายในบ้านได้ฐานใจทั้งหมด แต่และอย่างนั้นเป็นฐานใจทั้งหมดที่เริ่มปูพื้นขึ้นมาให้รับงานระดับหนึ่งคือระดับครอบครัวได้เวลาออกไปทํางานข้างนอกนั้นก็กลายเป็นคนขยันจัดการงานได้เรียบร้อยก็มีความเจริญก้าวหน้าไปได้และในขณะเดียวกันก็มีอัธยาศัยไมตรีทั้งเบือเบ้องสูงเบื้องต่ําในหน่วยงานของตัวเองเพราะอาศัยพื้นฐานที่มีอยู่แล้วนั่นเองแต่ไปเพิ่มขึ้นตาม ปริมาณของคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับลักษณะของงานที่ไปสัมพันธสข้าวถึงเราน้าก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นในเวลารวดเร็วแล้วก็ทําตนให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บังคับบัญชาเรื่องสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคือวางใจได้แล้วก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้ใต้บังคับบัญชาก็เดินหน้าเต็มตัวได้และประการต่อไปก็คือเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหา คือไวเนื้อเชื่อใจได้มอบหมายงานเอาไว้ผู้บงังคับบัญชาเชื่อใจได้มันก็พิชิตโลกเรียบร้อยเพราะงั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้จึงทรงแสดงว่าสตรีใดแต่ทรงใช้คําว่ามาตุคามนะฮะมาตุคามเนี่ยก็เป็นชื่อของสตรีเป็นคําเรียกหลายๆคำพระพุทธเจ้าใช้คําหลายคํำใช้คําว่านารีบ้างอิทีบ้างสตรีนี้ไม่ค่อยใช้เพราะสตรีมันเป็นภาษาสันสกิตแล้วก็ อิทธิบ้างมาตุคามบ้างแล้วแต่จะเรียดมาตุคามก็ที่จริงก็แม่บ้านนะฮะแม่บ้านแต่เป็นไ ท, ไทยก็คือแม่บ้านต่อไปก็ทรงสแสดงธรรมะที่จะให้พิชิตนะฮะเครื่องมือในการพิชิตโลกก็โลกหน้าเลยทีนี้พิชิตแค่สองโลกเลยทีดเดียวอารรมาแปดข้อพิชิตสองโลกข้อต่อไปก็คือศรัทธาสัมปทา ธรรมะชุดนี้แปลกมากเลยสแสดงไว้หลากหลายในที่ต่งตางๆมากมายเลยเกินโดยอาศัยธรรมเพียงสข้อเท่านั้นเองแต่เปลี่ยนชื่อคุณธรรมที่จะให้สําเร็จความประสงค์บ้างสัมปรายิกตะประโยคบ้างธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาบ้างถ้าเทวดาแล้วก็เพิ่มข้อที่3เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเป็นประศุนเอ่อเพิ่มเป็นหข้อแล้วคุณธรรมที่จะให้สําเร็จความประสงค์ในที่นี้คุณธรรมที่จะให้พิชิตโลก ท่าธรรมะสีข้อแต่นั้นเองแล้วนอกนั้นออท่านจะเห็นว่าถ้าเรามองในจุดอื่นคือในกุละปีตาสูตรนักกุละปีตาสูตรนักกุละมาตานักกุละปีตานะ ก, ก็ก็อีกสตาสมาศีแลรษมาจาคักสมาปัญญาสมาคือสองท่านนี้ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตั้งแต่แต่งงานกันมาจนแก่กันขนาะดนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลย แล้วก็อยู่กันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าวกันได้ดีเหมือนน้านมกับน้ํานมหรือมะน้ํากับน้ํานมแต่ทํำยังไงว่าข้าพระองค์ทั้งสองนี่ตายไปแล้วจะได้เป็นสามีปัญญากันอีกพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะสี่ข้อนี้กันให้เสมอกันนะฮะเพราะสองคนสองคนอันนี้เราพูดถึงคนเดียว น, นี่สองคนสองคนต้องการจะให้เกิดร่วมกันเป็นสามีปัญญากันอีกแล้วต้องปรับมาตรฐานความประพฤติให้เสมอกัน เกิมีศรัทธาเสมอการมีศีลเสมอการมีจาระเสมอการมีปัญญาเสมอกันนี่ก็เป็นคุณธรรมที่จะนําคนให้เกิดร่วมกันคุณธรรม4ี่ข้อนี้ฮะสี่ข้อนี้จึงยอะจริงๆเลยเป็นเรื่องที่ที่เด่นทําไมจึงเด่นเพราะมันคลุมหมดเลยถ้าเป็นธรรมะที่คลุมก็เริ่มมาจากศรัทธาสัมปทาสัมปทานะฮะทรงใช้คําว่าสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศรัทธาไม่จะวันนานๆต้องจะศรัทธาทักทีหนึ่ง ต้องมีอะไรหลายเรื่องหลายราวจึงจะเกิดศรัทธาจะบริจากรได้ออกธุรธาตุหรือเปล่าถ้าออกธุรธานุก็มีศรัทธาอย่างนี้มันไม่ไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่คือว่าเป็นศรัทธาที่สม่ำเสมอโดยมีพื้นฐานใหญ่ๆนะฮะให้โปรดสังเกตแล้วก็ท่านกําหนดได้ง่ายว่าในการอธิบายศรัทธานั้นถ้าพระพุทธเจ้าอธิบายเองอธิบายเองนั้นจะเริ่มฐานใหญ่อยู่ที่ความศรัทธาในคุณพระรัณน์ไตรโดยเฉพาะพุทธคุณ พระฐานใหญ่ในพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปจะเดินหน้าได้เองเลยให้เริ่มที่ศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในบทของพระพุทธคุณที่เราสวดสวดกันเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนะิสัมปโนสุกโอโล ก, กาวิทโทเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ศัสรูดีศัตรูรชอบด้วยพระองค์เองเป็นทรงสมบูรณ์โดยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้โลกอย่างแจม่มแจ้ง เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครจะเทียบเทียมได้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้ปลุกบุกคคลอื่นให้ตื่นเป็นผู้เบิกบานผู้โทแปลได้หลายคำนะพระกวาเป็นผู้มีโชคกับเป็นผู้จำแนกธรรมนี่คือพระพุทธคุณึงท่านทั้งหลายจะพ่อป้าที่ทรงแสดงในรูปของตะปูตรึงใจคือเครียบแคลงสงสัยในคุณพระพุทธเจ้านั้นมันไปไม่ได้กัน ก็เน้นในเรื่องศรัทธาสีประการมันก็เน้นที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้ามันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งในการวินิจฉัยตัดสินยอมรับนับถือสิ่งเหล่านั้นบางอย่างมันสุดวิสัยของเราโลกหน้ามีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมพรหมโลกมีจริงไหมผลบุญผลบาปมีจริงไหมเราทําบุญไว้จะรับผลในชาติต่อไปได้ไหมอะไรตัวเนี้ยแล้วจะทํำยังไง จะให้พิสูจน์เหรอถ้าพิสูจน์ก็ต้องบำเพ็ญเพียรจนได้ญาณระดับเดียวกับพระพุทธเจ้านาไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรายังไม่มีกำลังความสามารถขนาดนั้นจะปฏิเสธเหรอปฏิเสธมันก็ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้ดแสดงตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแสดงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตอนได้บรรลุพระญาณปุเพนิวาสานุตยานกับยูตูป ป, ปาตยานน่ เพราะงั้นเรายกถวายพระพุทธเจ้าสัสรู้ดีสัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้า ส, สัสรู้ทรงสแสดงไว้เท่านั้นไม่ต้องไปวอแวร์ are, วุ่นวายเสียเวลาไปนั่งคิดโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างบางทีเราจะพบว่าแม้ในวงวิชาการเนี่ยวันก่อนอยไปบอกสถานชี้อเอยก็จะโกรธคือในวงวิชาการนั้น ปฏิเสธขึ้นในถ่ำกลางนักวิจชาการที่นั่งกันอยู่เต็มบอกว่าเรื่องนรกสวรรค์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงไว้พระอตัตถกอาจารย์เขียนขึ้นในทีหลังไม่มีในพระไตรปิฎกคนที่เขาร่วมประชุมบอกแหมคิดถึงท่านเจ้าคุณจังเลยอยากจะให้เจ้าคุณร่วมประชุมอยู่ด้วยวันที่จริงมาเป็นที่ปรึกษาอยู่นะแต่ามานั่งอยู่ด้วยมาจะไม่ว่าอะไรหรอฮะจะตอบจะจะบอกคาเดียวว่าก็ การที่อาจารย์ยืนยันอย่างนั้นก็หมายความว่าอาจารย์ไม่เคยอ่านพระไตรปไิฎกท่านนั้นเองฮะไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรนักหนาไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรนักหนาอันนี้เราจะเห็นว่าเราไม่มีฐานความเชื่ออย่างสําคัญในพระคุณของพระพุทธเจ้าก็แกล้งไปแกล้งมาอยี๋ยวนี้ยแม้แต่พุโทโธเนี่ยพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะฮะบางทีมันก็ตื่นตูมตื่นเต้นก็ไม่ได้ตื่นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตื่นมันก็แกล้งไปแกล้งมาอย่างนี้นี่คือฐานใหญ่ ซึ่งจะเห็นว่าศรัทธานั้นมันมีความผ่องใสเรามักจะพูดประศรัทธาประสาทะแล้วความเชื่อความเลื่อมใสคือความพ่องใสแห่งจิตที่มันเกิดไม่มีอะไรขุนมัวเลยพอพูดถึงพระพุทธเจ้าเราไม่มีปัญหาปูพระพุทธเจ้าเดินได้ด้วยพระบาท7จก้าตอนประสูติใหม่ๆเราไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นคนพิเศษคนเดียวในโลกในละหลายแสนปีมานี้ไม่มีคนระดับเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉั้นเอาคนอื่นมาเทียบพระพุทธเจ้าไม่ได้เราเราไม่มีความคล่องใจอะไรเลย และในขณะเดียวกันเราก็ไม่ติดในรูปแบบด้วยถ้าเราเชื่อมัน่นในคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นพระพุทธเจ้าอาจจะมีรูปร่างในใครบัญญาตพระพุทธเจ้ามีรูปร่างพิกนพิการกระจอกงอง อ, อ, ง อ, plateau, อย่างไงเราก็ไม่ติดใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่รูปร่างพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระปัญญาพระบริสุทธิ์พระมาหากรุณาของพระองค์ธรรมะเหล่านี้อยู่ที่ใครก็ได้แล้วแสดงให้ปรากฏขึ้นมาเราก็นับถือเท่านั้นเองจะไม่มีปัญหาแล้วกราบพระพุทธรูปโดยไม่ต้องปลุกเสกก็ได้ ไม่ต้องไปติดต้องเข้าพิธีปลุกเสกเสียเทียนัองมาหลายบาทอะไรดอกมงดอกไม้อะไรเอยอะแยะเสียเวลาเราก็กราบได้โดยความสนิทใจเพราะนั้นคือปฏิมาต่นนั้นเองไอ้ตรงนี้ฐานใหญ่มากท่านต่างหลายเห็นว่าเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่ไม่ค่อยได้ตรงเนี้ยบันไดคือศรัทธานี่เราง้อนแง่นครอนแคลนเป็นชาวพุทธแล้วบางทีก็ยังผลาญพรังอยู่อะไรต่ออะไรมุดมายหมดเไม่มั่นใจในเรื่องของพระพุทธเจ้าเมื่อคืนนี้ได้อ่าน งานเขียนของคุณยิงกระจ่างสีท่านเขียนไว้ให้ตรวจท่านพูดถึงพิธีทําศพของชาวพุทธซึ่งถ้าพุทธเพียวๆแล้วรับรองเลยไม่มีอะไรนะพุทเราถือว่าร่างกายนี้เหมือนท่อนไม้พอวิญญาณออกจากร่างก็เหมือนท่อนไม้ที่หาสาระอะไรไม่ได้ถ้าจะทําอะไรก็กรุณาอะไรก็ทํากันในตอนนี้นะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาศพไว้ในเป็นภาระอะไรมากมายศพพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับ แม้แต่พระเจ้าสุตโธธนะเองที่วงโคดวันนั้นถาวายพระเพลิงวันนั้นพระสารีบุตรนิพพานวันนั้นเผาวันนั้นพระพุทธเจ้าที่ต้องไว้าเจ็ดวันไม่ใช่เหตุผลต้องไว้าเจ็ดวันการเป็นการว่าเจ็ดวันนั้นเพราะเทวดาเขาต้องการให้รอพระมากระจปะเท่านั้นเองที่จริงเผาวันนั้นนะแต่เป็นเผาไม่ติดแต่นั้นเผาไม่ติดมันก็ต้องรอบอกให้รอให้พระมากระจะปะมาก่อนเท่านั้นเอง พระเทวดาที่รักษาประาศ า, าสนาเขาไม่ยอมให้ไฟมันติดพระอนุรุตก็บอกว่าที่ไม่ติดก็เพราะว่าเทวดาต้องการให้รอพระมหากรส ป, ปะท่านั้นไม่ใช่เหตุผลว่าถ้าพระศพพระพุทธเจ้าต้องเก็บไว้เจ็ดวันนะพูดจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดอะไรกับร่างกายทับไม่ต้องไปเอาลงมาทาทองอะไรต่อะไรใส่เป็นหลอกเราเพื่อนนั่งไหว้เล่นอย่างตั้งนานเสียเวลานี่ก็เราก็เอาอะไรมาพรุงพลัง อะไรมาป ร, รุงป ร, รงังไป ม, มากเกินไปเพราะอะไรเพราะศรัทธานั้นยังไม่เข้าถึงใจยังไม่ผ่องใสเต็มที่ยังไม่ได้เดินตามแนวของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่เอาแนวของพระพุทธเจ้าจะเป็นแนวที่โปร่งเบาสบายมากเลยอะไรเราไม่ต้องไปว้าวุ่นไปถกเฉียงให้เสียเวลาตั้งหลายเรื่องนะโดยเฉพาะวิจิกิจฉาที่ตัวเป็นตัวปัญหามากนะความสงสยัยความฟุ้งซ่านต่างๆกับความสงสัยเนี่ยเราจะตัดไปได้แค่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ที่ปัญหาอย่าง เกิดขึ้นก็คือไม่ผ่องใสชักชีหนึ่งเอ๊จริ ง, ไ ม, ร ง, รงไม่จริงนะจริงไม่จริงนะดรนั่นไก่ว่าอย่างนั้นอาจารย์นี่ว่าอย่างนี้นะไม่ต้องพูดแรละพระพุทธเจ้าว่าอย่างไงตอนนั้นเองเราไม่ต้องพูดไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นเจ๋อเวลาคนนั้นกิ๊กก๊อกมากเลยเทียบพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายอะไรเลยแต่เราจับหลักอย่างนี้แล้วสบายมากเลยไม่ต้องไปวัแวแหวกับใครทั้งหมดเนี่ยเราเดินทางก็เราสายเนียคนนั้นว่ายังไงไม่สาคัญนะเราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดกันในปัจจุบันวงวิชารผม มีความเห็นว่าผมเข้าใจว่าไม่ต้องเอาคุณเข้าใจว่ายัางไงกับเรื่องของคุณหรือฉันจะเอาว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไงเท่านั้นเองเราจะสบายเลยจะเดินหน้าได้เต็มที่ไม่เสียเวลาไปเ่ยวขอบฟางบรุงประรั ง, รงทีนี้พอเดินตรงนี้ได้ศีลนั้นเราเห็นได้เลยเป็นอาทิพรหมจันทร์เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์ตรงชค้คําว่าสัมปท า, า, นะาเหมือนกันนะฮะสัมปทาเหมือนกันคือต้องสมบูรณ์เหมือนกันเพราะเป็นฐานเนื้นฐานที่จะกลุ่มศีลที่จริงเป็นอาการปกติ ศีลเราจึงแปลหลายอย่างนะแปลอาการจริงคือแปลอาการปกติแปลในเชิงผลนั้นคือเบนเจเบนในวิรัตนะฮะศีลพระพุทธเจ้าทรงเน้นในที่นี้เน้นศีลห้าเท่านั้นเองนะเน้นศีลห้าเท่านั้นบอกไวต้ตรงๆเลยบอกไว้ทุกข้อศีลห้าเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าในศีลห้าที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเองนะฮะเวลาเราเทศเราไม่ค่อยเดินให้ตลอดเพราะว่ากลัวชาวบ้านจะขยาดศีลใช่ ก็เลยก็ขอปลาปลามาเป็นถึงก็อยากฆ่ากันกนะ็ได้นที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าแสดงนะฮะเป็นผู้งดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกร่วงไปมีสัตว์ราวางแล้วมีเครื่องประหารนั้นวางแล้วมีอาวุธอันวางแล้วสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายไปแล้ออกธรรมะไปเรียบร้อยนะฮะในความมีศีลนั่นคือมีธรรมะจะแสดงมาในรูปอย่างนั้น ซึ่งห ม, หมายความว่าถ้าเราสัมรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วพวกปืนทําอะไรล่ะเออพกมีทําอะไรไม่ต้องพกวางสาัตว์าวางอาวุธวางเครื่องประหารแล้วก็สัมรวมระวังได้ในสัตว์ทั้งหลายไม่ไปกระทบกระทั่งคือไม่ใช่ถึงกับแม้จะไม่ฆ่านะไปกระทบกระทั่งไปเบียดเบียนไปหยิกพวนตบตีก็ไม่เอาแล้วนะมีความสัมรวมแหละสัมรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายนั้นแสดงกายสงบหมดเลยนะเราจะเห็นว่ากายมันจะหยุดหมดพอถึงเรีย่ยววาจาหยุดด้วย ประจ่าหยุดแต่จะไปหยุดในศีลข้อที่สี่มีความเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงใจเลยเข้าถึงใจทีนี้มันก็เป็นฐานรักษารักษาศีลได้ในข้ออธินาทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่ว่าในป่าในบ้านในเรือนในที่สาธารนณะอะไรก็ตามนะไม่ถือว่าไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ไม่มีเจ้าของ เจ้าของเลยหยิบเอาดือด้อๆอย่างนั้นเองหรืออันนี้เจ้าของก็เผลอไ ม, ม่เป็นไรเราเขาไปตีความเอาศีลเพื่อเพื่อประโยชน์ตนไม่ได้ทั้งหมดเลยจะเป็นการสํารวมระวังพอจนถึงจุดหนึ่งมันจะสร้างคุณภาพจิตเลยสร้างคุณภาพจิตแม้แต่จะยินดีเรียกว่ามีไถยจิตคือรูปความแหมนี่น่ารักจังรักจังบรรู้รูปรความคามเขาก็ไม่ได้นะบรรลุรูปความด้วยความอยากได้กับไม่ได้จนถึงกับมีไถยจิตคือเห็นอยากได้นะครับไ เราจะเห็นว่าไปฆ่าถึงจิตมันไปคุมที่จิตเป็นมโนสุจริตคือไม่โลภอยากได้ของคนอื่นพระเจ้าท่านเดินก็นท่านไปอย่างนี้เดินกับท่านไปอย่างนี้แล้วพอการเมธสุมิจฉาจารย์ก็เหมือนกันการเมธสุมิชฌาจารย์ก็งดเว้นการประพฤติผิดในทางการรมแล้วก็กระจายตัวเองเออกไปนะฮะโดยจริงๆแล้วผู้ชายไม่สามารถละเมิดในผู้หญิงได้ทุกชนิดทรงสแสดงมา20ประเภทด้กันผู้หญิงผู้หญิง ที่มีสามีแล้วผู้หญิงที่มารดารักษาบิดารักษามารดาบิดารักษาพี่ชายรักษาพี่ชายรักษาต้องหมดหมดมันหมดแล้วไม่เหลือสักคนหนึ่งนอกจากพัญญาตัวเองเท่านั้นเองนั้นในการปฏิบัติจริงๆคือสํารวมระวังหมดเลยสํารวมระวังไว้หมดในข้อมุสาวาตก็มีลักษณะอย่างนี้คือนั่นคือความสมบูรณ์ในชั้นของศีลมุสาวาตก็ต้อง ไม่แกล้งกล่าวนะฮะไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเป็นคำหยาบเป็นคาส่อเสียดเป็นคำเพเจองเฟือเหลวไหลซึ่งต้องพูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำเสริมสร้างสามคัคคีคำไพเราะอ่อนหวานคำมีประโยชน์แต่ก็มีเงื่อนไขมีหลักในการอธิบายว่าในการปฏิบัตินะฮะไม่ใช่ในการอธิบายคือในการ ปฏิบัตินั้นกรณีของมุสาวาตจะต้องออคําสัตว์นั้นจะต้องพูดไปตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาโดยประสาทสัมผัสซึ่งเรื่องนั้นบางทีอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้เช่นเรื่องเขาเล่ามาอย่างเงี้ยเขาถามว่าได้ยินมายัางไงเราก็เล่าตามที่เราได้ยินซึ่งเรื่องที่เขาเล่าเราอาจจะไม่จริงก็ได้แต่เรารับผิดชอบเฉพาะที่เราฟังกับเขาเทอนนั้นเองเราไม่ได้รับผิดชอบไกลถึงต้นตอมันจริงหรือเปล่า เราไม่ต้องสืบไปขนาดนั้นเพราะเป็นการเรื่องของศีลธรรมจัญญาเท่านั้นเองเป็นเรื่องของการติดต่อสอบถามเป็นเรื่องของระดับเขาเรียกจริยศาสตร์นะเป็นระดับจริยธรรมของสังคมเท่านั้นแล้วก็ในชั้นของการพูดคำสมานสามัคคีก็เหมือนกันคือจิตจะต้องประกอบด้วยเมตตาหวังดีกรุณาต่อบุคคลอื่นนะฮะ ไม่ใช่ว่าพูดเสริมสร้างสามาคัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะคอรับชั้นตรงนี้ให้มันได้แล้วโกงกงันให้เป็นทีมเลยไอ้นั่นไม่เอานะฮะ ม, มันจะไปผิดศีลข้ออื่นคือสมานสามัคคีในที่นี้เป็นการเกื้อกูลต่อเขาไม่ใช่เกื้อกูลเราเกื้อกูลต่อเขาเพราะ ง, งั้นการพูดสมานสามัคคีก็คือให้เขาให้คนที่สามัคคีกันแล้วก็กระชับผู้กระชับคนมีข้าวจะแตกพูดประสานคนยังไม่สามัคคีก็พูดใ ห, ให้ให้เกิดความสามัคคี กระต้นเร่งร้าวให้เกิดความสะพังกีไอ้ส่วนคําเพื่อเจริญหลายนั้นคนเราชอบมากเลเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าเองไม่ใช้คำว่าวาจานะมุสาวาดาเวรมณีปิสุนาวาจาเวรมณีปุรุษายะวาจาวาจายะเวรมณีจะใช้วาจาตรงนั้นนงสามคำเนี่ยพอถึงนี้สัมผัปลาปาเวรมณีงงนเ็นจะสัมสัมผัปลาลาบไม่รู้จะแปลยัยงไงเดีย แปลว่า เ, เ, เพอร์เจอร์มันจะเลยคือแปลแล้วมันมันมันไม่เป็นคำแต่เราจะเห็นว่าเรื่องถ้อยคําในลักษณะนี้นคนชอบมากเลยคนชอบมากไปฟังเทศก็ชอบไปพระตะลกนะแทนที่จะไปฟังล้อโต๊ไอ้เด๋อดูดีอะไรไม่เอานะอยากจะฟังเทศด้วยอยากจะฟังตลกด้วยเลยไม่รู้จะเอาอะไรในคนนี้เวรกรรมจริงๆคือไม่รู้จะทําอะไรก็เอาสักอย่างนึ่งฮะ เลยจะเอาได้ทุกอย่างเลยต้องลงว่ามันไม่มีระบบในการทํางานในการประพฤติปฏิบัติอะไรเลยนี้ก็เพราะอะไรเพราะไอ้คำเพื่อเจอมันมากแด้เป็นที่นิยมเพลิดเพลินของคนทั้งหลายคําเพอือเจอิดจึงเป็นคําที่หากินได้ตลอดนะคล้ายๆกับพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนมีตลกหลวงให้ตลกหลวงเพื่อเจอกันไม่ต้องเพอือเจอกันเป็นพาณิอย์พรายายความจึงเครียดอะไรต้นอไรกรับความสนุก เพราะพวกนี้มันมีลักษณะอะไรคือไหลมันไปตามกิเลสนะฮะอิฐากันตามนาปาไงฮะกามคุณที่พระพุทธเจ้าว่าเสียงที่เป็นกามคุณอิฐากันตามนาปาที่รักใคร่ปรารถนาชอบใจอิฐากันตามนาปารูปาสัส ด, ดากันณานะะรูปาสัส ด, ดาไอเสียงเสียงที่เป็นที่ชอบใจคือเสียงเล่นเล่นเพลินเพลินพลนสนุกสนานไปนะ แล้วก็ส่วนมากถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ก็มีการทะเลาะอะไรกันหรอกครับพูดกันได้เป็นวันวันนะนี่ก็งดเว้นให้สมบูรณ์ด้วยสีนข้อนี้แล้วสีลข้อต่อไปก็ไม่ใช่สีลข้อต่อไปก็คือสุราเมนะฮะระยะมัชชะประมาณตฐานาถเราว่าคือให้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในงดเว้นการดื่มสิ่งอะไรก็ตามแนตะ่ว่าก็ตามความเป็นจริงมันอยู่ในกลุ่มของมัชชะนะ มัชชาคือเครื่องเมานั่นเองเครื่องเมาต่างๆที่ทำให้เมาทำให้เกิดเผลอเรอทาให้เกิดหลงลืมต่างๆที่สรงใช้คำรวมมาชชาสุรามระยะมัชชานะมันมีอยู่คำสองคามัชชะคือทำให้เมาอะไรก็ตาดก็ให้งดเว้นเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ต่อไปก็คือจาระสัมปทาทรงอธิบายไพเราะมากนะทรงอธิบายว่า สตรีในโลกนี้มีจิตที่ปราศจากความเสน่ความหวงมีมีมฝ่ามือชุ่มด้วยความเสียสละมีความ เ, ออเฉลี่ยมีการเฉลี่ยแบ่งปันสงเคราะห์เกื้อกูลอะไรตัไหนคือแสดงออกมาว่าตัวจิตจริงๆนั้นจะต้องปราศจากความเสน่ ไม่ใช่ว่าหมดเลยนะฮะไม่ใช่สละหมดเลยไอ้สละหมดเลยบางทีมันก็เกินไปนะฮะก้มากแล้วมันก็อยู่เกินๆนะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางวันก่อนที่มีท่านผู้หนึ่งมาหาจะมามาทั้งสองครั้งนะพูดกันปลอบกันพอได้ตั้งสติสตางค์ได้ปรากฏว่าเกิดศรัทธาหลวงพอ่อวัดไหนมายกสมบัติให้หมดเลยให้หมดตั้งเนื้อทั้งตัวหมดหมดไม่ใช่ตั้งเนื้อตั้งตัวนะให้ตัวไม่หรอกถือว่ายกเฉพาะทรัพย์สมบัตินะให้ ปรากฏว่าที่หลังถูกกรรมการวัดเบี้ยวไม่คล้ายๆก็ไม่รู้จักไปเลยนะทำให้แกโทมนานัตมากอันนี้ก็เกินไปนมันไม่มีหลักในพระพุทธศาสนาอย่าลืมหลักในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องไม่เดือดร้อนนะต้องคํานึงถึงกําลังศรัทธากําลังทรัพย์ของเราอยู่เสมอแล้ววิเชยดานังสุกตะปัสสถานการใคลายกลัพิจารณากรใ น, นจึงให้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญ ดังนั้นจารค่ะก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าแจกดะไปหมดเลยคือต้องดูแต่ว่าใจเรานั้นปราศจากความสนีคือไม่ได้มีความหวงความติดในอะไรจนมากเกินไปแล้วก็เวลาจะเสียสละก็ต้องมีการพินิษพิจารณาเสียสละให้เป็นประโยชน์เกือ้อกูลจริงๆไม่ใช่ทาในลักษณะที่ตามน้ําพลิกละลายแม่น้ำอะไรอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันของคนบางพวกนะฮะ คือวันก่อนนี่มีมีคนมาคุยเราคุยถึงก็เป็นเด็กนะฮะเราไปเที่ยวเที่ยวกินกันเที่ยวเที่อะไรตั้งแต่หัวค่ํานะกราบตั้งแต่ตีห้าถึงบ้านว่าโอ้โหนี่มันโรคดิบมันการมาสุขานิการโนโยกจริงจริงนะฮะกินกันเจ็ดคนมันกินอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นันกินกันได้ยังไงเอาท้องที่ไหนเข้าไปกินกันก็นไม่รู้<อ>คนนีนจังเนยะคือรู้สึกว่าเป็นการมาสุขานิการโนโยกจริงๆ ก็ปล่อยต้นปล่อยใจให้เพลินเพลินไปอย่างนั้นเองโดยไม่ได้ควบคุมความคิดแต่ประการใดอันนี้ก็เกินไปในด้านที่เกินไปเพราะงั้นไอ้การการให้นี้ท่านจะท่านตัางหลายจะเห็นว่าพื้นฐานสำคัญจริงๆนั้นคืออยากให้ตัวมัดมัจฉริยะในความตณีเนี่ยมันครอบงำใจไอ้ส่วนจะสละเมื่อไหร่นั้นก็ต้องดูต้องดูเหตุผลบุคคลเทศะการละอะไระไรที่ควรจะเสียสละ โดยให้มีผลเป็นความสบายใจความเพลิดเพลินใจทีนี้ก็เป็นเป็นการฟอกอัธยาศัยให้ให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพอมาถึงข้อจาคะมันก็เริ่มฟอกเริ่มฟอกที่กิเลส ต, ตัวเหนียวที่สุดคือโลภะโลภะนี่ก็โลภะก็คือราคะนะฮะโลภะราคะมัจฉาญยะนี่พวกเดียวกันงั้นนะฮะ เป็นพวกความโลภความกำหนัดยินดีความเหนี่ความข ว, วงมัน ต, อ ต, อตอ่อเนื่องกันต่อเนื่องกันในเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่เป็นอาการที่ต่อเนื่องกันในเรื่องเหล่านั้นพวกราคะพวกโลภะนี่เป็นความโลภจากได้กลับมา ashamed. พอได้มาแล้วมันก็ราคะคือยึดติดเอาไว้พวกติดเอาไว้แล้วก็เสร็จแล้วพอดึงไม่ออกมันเหนียวก็เป็นมัจจริยะดึงไม่ออกกอในของอย่างเดียวกันนั่นเองของอย่างเดียวกันนั่นเองแต่ผู้คนเรช่วงกัน กนช่วงัเป็นกิเลสสายเดียวกันแต่แสดงอาการคนละขนาดกันนี่ก็ทรงแสดงว่าต้องสมบูรณ์ด้วยจาคะถือหมายความว่าก็อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเสียสละจาคะในชั้นนี้พูดเรื่องวัตถุนะฮะพูดเรื่องวัตถุไม่ได้พูดจาคะอย่างแบบอธิษฐานธรรมคือต้องดูว่าอยู่ตรงไหนอธิฐานธรรมนั้นหมายถึงสละเออุปสัคของเจตจำนงที่เราตั้งใจจะกระทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดมีความรู้สึกขึ้นมาต่อต้าน เราใช้จ่าค่าสลักในจ่าค่าในที่บางแห่งนั้นเป็นสละกิเลสเป็นนิพพานก็มีเราต้องดูว่าจ่าค่าตัวนี้มันขอบขายขนาดไหนขอบขายในที่นี้ไม่ไกลเลยเป็นการสลักวัตถุธรรมเท่า น, นั้นเองแสดงว่าการจะพิชิตโลกนี้ก็ไม่ค่อยยากไอ้โลกหน้าก็ไม่ค่อยยากเทนะ่าไหร่นะถ้าสละกกิเลสบางทีก็เสียดายแต่เหงิดต่เหงิดเหมือนกันฮนะเวลากลัวจะไม่มีกิเลสใช้ทำ <c oughs> <c oughs> มายังบอกโยมก่อน <Factory> โยมก็ไปติโกติกันหลายคนเนี่ยนั่งอย่างนี้บางคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีความต้องการที่สวนทางกันสวนทางกันยังไงผู้หญิงนี่รักสวยรักงามชอบประดับประดาตกแต่งร่างกายแต่ในขณะเดียวกันขี้โกรธซึ่งความโกรธเราเป็นโทษของผิวพรรณความโกรธันทําให้ไม่สวยงามตัวเองต้องการความสวยงามแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความไม่สวยงามคล้ายๆกันเลยแกกวาดพื้นอย่างนี้แล้วโคลนสาดโครมเดียวเลยน่ะเช็ดตอไปก็ทําอย่างเงี้ ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะแก้ที่ใจเรานะฮะเป็นคนไม่โกรธมีเมตตามีความการุณามีความเยือกเย็นอยู่นะนหน้าตาก็จะผ่องใสโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเครื่องอะไรมาประดับประดาตกแต่งให้มากมายอะไรนักเป็ความต้องการที่สวนทางกันเพราะนันจะมันมันมนจะมีความขัดแยง้งมันจะมีการต่อสู้กันในตัวเองตลอดแต่งตัวมันรีหรือโกรธเงื่อแตกแล้วแต่งใหมย่ยืนแตก อันนี้ก็ทำอย่างเงี้ยเสียเวลาอยู่หน้ากระจกวันทั้งหลายนะทีนี้ถ้าถ้าเราไม่โกรธเราก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะมันจะไม่สวนทางกันเองนี่ก็จากค่าระดับนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะจะอยู่ในระดับนอนระดับของอธิษฐานนะธรรมเราแสดงว่าตรงนั้นยากหน่อยตรงนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่โดยให้พื้นใจหยามากด้วยความสนีก็แล้วกันพื้นใจที่สําคัญหยามากด้วยความสนีไม่ใช่น่วงก็ขวงอันนี้ก็ขวง นะบางทีมีพระหลวงตาองค์เดินเก็บทุกวันนะในวัดนะเก็บกองไว้เต็มเลยนะงูน่าจะอยู่แ้วเ ก, กองไว้เต็มไม่รู้ว่อะไรตัวใดวุ่นไปหมดเลยก็ดีนะฮะไม่จะตายเป็นไส้เดือนอยู่ในนั้นจะตายเป็นไส้เดินนี่ก็แย่นะนะนี่ก็คือมัจจริยะมันหวงสนี่มันมันอยากได้ไปหมดเลยปลูกพันไว้ทั้งหมดตัวเองใช้ประโยชน์ไม่ใช้ประโยชน์ก็มีไวด้ดูไว้รกเล่น เดินสะดุดเล่นๆไปอย่างนั้นเองประการต่อไปก็คือปัญญาสัมปทาตรงนี้ท่านจะเห็นว่าทรงเน้นไว้สูงพอสมควรนะเน้นปัญญาสูงพอสมควรคือเฉียบแหลมลึกซึ้งเอ่อเมื่อกล่าวโดยสรุปคือให้มีปัญญารู้เห็นท่านใช้คำมาลีสองคำนะแต่คำาลีก็คือสรุ ป, ปรู้ถึงความเกิดความดับของสิ่งเหล่านั้น ให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยในชั้นของความเกิดเราก็ยอมรับยอมรับว่าความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมใจ ย, ยอมรับความดับไปด้วยเพราะในที่สุดก็จะดับเป็นธรรมดาคือมองเห็นความเกิดความดับของสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าความอ่อนไหวในด้านจิตใจนั้นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโศกนั้น ผู้หญิงจะโศกง่ายกว่าผู้ชายร้องง่ายกว่าผู้ชายแล้วก็โศกง่ายกว่าผู้ชายจึงทรงเน้นไปที่ให้รู้ให้เตรียมใจยอมรับไปไว้สิ่งที่มัน ท, ที่มันมีอยู่ก็คือมีอยู่ก็ปฏิบัติไปนะ่ยยังในมีอยู่แต่ก็เตรียมใจยอมรับไอจุดดับไปด้วยแอย่างที่แสดงกั น, นายวิสาขาเหมือนกันนะครที่นายวิสาขาท่านร้องไห้เมื่อหลานตายอย่างที่เคยเล่าฟังในเรื่องของนายวิสาขาเนี่ย พระพุทธเจ้ก็ทรงสอนอีกมุมหนึ่งให้ท่านดูว่าท่านต้องการจะมีลูกหลานกัเท่าไหร่ท่านบอกว่าหมายจะให้มีถ้ามีเท่ากับคนในกรุงสาวัตถีก็ดีแล้วรับสั่งถามว่าแล้วคนในกรุงสาวัตถีนี่เขาตายกันวันละเท่าไหร่ท่านบอกไม่แน่เจ็ดคนบ้างแปดคนบ้างสามคนบ้างพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเออถ้าถ้าอย่างนั้นเธอก็ร้องไห้กันทั้งวันเนี่ยน้านตาก็ไม่ต้องแห้งกันเพราะญาติตายอยู่ทุกวคน แต่ถ้าเราเตรียมใจรับไว้ทั้งสองด้านคือเกิดก็ปฏิบัติในส่วนเกิดในส่วนมีอยู่ในส่วนตั้งอยู่ก็ปฏิบัติเกื้อกูลกันไปนะฮะมันก็อยู่ในจุดนั้นแล้วเช่นว่าอ่ะบริวารไรชนหรือว่าคนเกี่ยวข้องกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็สงเคราะห์มันอยู่ในข้อที่สามอยู่ในข้อที่สองแล้วนะฮะสงเคราะห์กันไปแต่ส่วนดับมันก็ต้องเตรียมรับเอาไว้จะเตรียมใจรับในส่วนดับเอาไว้แล้วประการต่อไปก็คือปัญญาประเภทจำแนกเนะี่ ประเภทจําแนกแยกแยะให้สิ่งต่างๆให้เห็นประจักษ์ชัดซึ่งในการขั้นของการใช้ปัญญามันมีงานที่สัมพันธ์กันนะครับพวกสติพวกปัญญาการอุปมาให้เห็นว่าการสติมันเหมือ น, หนเหมือนกับเราทําอะไรเดียร์ใกล้ๆ ค, คนเก็บข้าวนะฮะใกล้ๆคนเก็บข้าวคือมือที่รวบมานั้น อาการที่รวบมานั้นเหมือนเหมือนกับอาการของสติแต่ตัวตัดนั้นเป็นอาการของปัญญาที่เขี้ยวที่ตัดเป็นลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นท่านลองดูว่าจะหยิบผักก็ได้ก็ได้หยิบผักขึ้นมานั่นก็คือสติาการตัดผักหรือว่าเลือกไอ้ตรงนี้มันสกปรกอะไรอะไรเนี่ยเป็นอาการของปัญญาก็ตัดออกก็ไม่ใช่ว่าจะเอาทั้งหมดนะฮะหรือว่าจะตัดทิ้งทั้งหมดแต่ก็ดูบางส่วนนี่ก็เป็นงานของปัญญาเพราะงั้นปัญญาระดับจำแนกเลย จะแยกแยกแยกกันโดยเหตุโดยผลวิเคราะห์ตัดสินปัญหากันไปตามควรแก่กรณีนั้นๆัทั้งอย่างที่เคยบอกว่าเวลาเอาก็จริงๆนะเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรมันมีความเป็นคู่มีบาปก็มีบุญฮะว่าแยกคราวแรกก็แยกเป็นกุศลกับอกุศลอกุศลนั้นก็คือบาปกับบุญก็คือคุณกับโทษคือประโยชน์ก็ไม่ใช่ประโยชน์เพราะอะไรเพราะมันดีกับชั่วก็อสองอย่างะ ทำไปทำมาสองอย่างเท่านั้นเองแยกให้ได้แล้วมันจะมีอยู่สองฝ่ายแต่ปัญหาสาคัญมาแยกไม่ออกอีตรงเนี้ยที่ยุ่งกันมากที่สุดคือตอนที่เราแยกไม่ออกถ้าเราสามารถแยกออกได้จะไม่มีปัญหาอะไรในการวิเคราะห์ตัดสินเรื่องราวต่างๆว่าไอเนี้ยมันดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ซึ่งถ้ามันเป็นบุญฮะเป็นบุญก็ต้องเป็นกุศลเป็นกุศลก็ต้องเป็นคุณ เป็นคุณก็ต้องเป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาอะไรเพราะการพูดในแนวนี้เป็นการพูดให้คนมองเห็นได้ในแต่ละจุดซึ่งบางจุดนั้นเราจะพบว่าสิ่งบางอย่างนั้นตัวเขาเองเป็นกุศลนะฮะแต่บางโอกาสกาละหนึ่งปฏิบัติไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ไ เ, ชไดเช่นเช่นเช่นสมมติว่าเนี่ย อดทนต่อเวทนาที่บางเกิดขึ้นเจ็บไายได้ป่วยก็อดทนนั่งขันติอดทนหมอให้ทานยาก็ไม่เอาเลยฉันจะอดทนก้ฉนะันฮะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ไปใช้ธรรมะอย่างนั้นมันได้อะไรขึ้นมาบางคนละเรื่องกันละกรณีกันแน่นอนตัวขันตินั้นเป็นธรรมะแต่ว่าพอปฏิบัติไปแล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นคุณด้วยฮะไม่เป็นคุณด้วยเพราะอะไรเพราะไม่มีกาลันอยูตา การปฏิบัติธรรมจึงมีเงื่อนไขที่หนุนกันไม่ใช่ว่าเราจะมองจุดใดจุดหนึ่งไอ้ น, นี่ดีแล้วฉันจะทำก้องฉันอย่างเนี้ยจะทำก้องฉันอย่างเนี้มันต้องมองในเป้าเนะพราะเป้าของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนแ ต, ต่ต้องเล็งให้ถูกนะฮะว่าเป้าเป้าจริงๆนั้นจะส่งแสดงไว้ว่าหิตายะสุขายะหิตายะ ท, ที่ที่เรานั้นนะฮะที่เราให้ทานรักษาศีลอัมภะกังดีกัตังฮิตายะสุขายะว่าทุกทีอ่ะว่าทุกทีแต่ว่าเราไม่ได้นึกว่านี้คือเป้า คือเป้าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป้ามันอยู่ตรงนี้รรยทําอะไรเราให้ทานเราก็ลงธรมะกังดีกระตังอิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อกกูลเพื่อความสุขแก่พระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นนิราโลกนี้นก็ว่าไปเรื่อยๆไปตัวการจริงๆยังต้องเกื้อกูลประโยชน์นั้นเวลาประโยชน์นั้นธรรมะนั้นมีประโยชน์แต่ว่าการใช้มันจะต้องดูว่าเกื้อกูลหรือไม่เกือ้อกูลเกื้อกูลเราจะตัดสินว่าสิ่งนั้นเกื้อกูลหรือไม่ เกือกก็ดูที่ผลว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ถ้าเป็นมีผลเป็นความสุขสิ่งนั้นก็แสดงว่าเดินตามกระบวนที่เราต้องการได้นี้ก็คือลักษณะการใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นก็รวมแล้วเป็นธรรมะแปดประการแต่ทำไมตอนท้ายประสูรจึงสรงสรุปว่าดูก่อนวิสาขามาทุกามสตรีใด ที่มีคุณธรรมแปดประการประกอบด้วยองค์16ประการนะฮะชื่อว่าเป็นผู้พิชิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าไอ้สิกมันมาจากไหน16นั้นมาจากอาศัยตัวเองที่สัมผัสความดีเหล่านั้นเดี๋ยวเห็นผลเห็นอานิสงส์จากการปฏิบัติความดีทั้งแปดประการ น, นั้นแล้วก็นำไปเผื่อแผ่เชื้อจารบอกกล่าวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงให้ประพฤติ ป, ปฏิบัติตามเพราะงั้นเราปฏิบัติได้8ข้อ เราเอาไปสอนคนอื่นอีกแปข้อก็คือแปข้อนั้นแนหะแปดข้อที่เราทําได้นะเองกลายเป็นองค์16ประการชื่อว่าเป็นผู้พิชิตโลกทําไมาจึงจึงเป็นผู้พิชิตโลกเพราะทําประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเข้าสู่รอีกครับทำประโยชน์แก่ตนและแก่บุคคลอื่นเป็นการสร้างฐานประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเป็นการทําทั้งอั ต, ตสมบัติและปาริหิตสมบัติ เป็นการสร้างทั้งพภคสมบัติส่วนตัวและบริวารสมบัติคือเพื่อกลแก่บุคคลนีมันจะเป็นกระจายตัวเองในด้านธรรมะดูแล้วก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่นะเพราะว่าธรรมะเพียงแปข้อเท่านั้นเองแต่ท่านทั้งหลายจะพบว่าพอปฏิบัติแล้วจะมีหนุนกันเหมือนกับสนามแม่เหล็กที่มันหนุนกันอยู่ตลอดระยะเวลาเลยจะประสานสัมพันธ์กันหมดทั้ง8ข้อ แราจะเป็นอุปนิสัยเกือ้อกูลโดยเฉพาะปัญญากับศรัทธาที่แกมีอยู่ในช่วงประโยชน์ประโยชน์โลกหน้านะฮะที่จริงแกก็ต้องไปหนุนให้ตรงนนท์เพราะถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จัดการงานจะเราจะมีความหมั่นขยันโดยไม่มีทิศทางแล้วก็จัดการงานลงไปให้เรียบร้อยด้วยดีไม่ได้หรือจะสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์หรือว่าจะเลือกใครสงเคราะห์หรือไม่สงเคราะห์เราจะเลือกไม่ได้นี่เป็นการปฏิบัติในหนุนเนื่องการจําแนกออกมาเป็นองค์ธรรมคล้ายๆจะเป็น เป็นองค์ธรรมที่มากและก็หนักในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าในเชิงปฏิบัติค่ะจริงๆท่านจะพบ ว, ว่าเกิดขึ้นเองและก็สัมผัสนุนเนื่องกันเองนี่ผู้พิชิตนะฮะเป็นธรรมะสำหรับผู้พิชิตโลกไม่ต้องลงไม้ลงมือไม่ต้องสะสมอาวุธยุทธปัจจัยอะไรทั้งหมดเลยสร้างกำลังภายในนี่พิชิตด้วยกาลังภายในจริงๆออกมาแล้วกลายเป็นพิชิตโลกได้ครอบครองใจคนอื่นไว้ได้ แล้วก็ชนะใจตัวเองได้เป็นการสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าเพราะว่าที่จริงสข้อข้างหลังนั้นก็คือทิฏฐธรรมิกะทะประโยชน์อย่างที่กล่าวมาแล้วและไม่ใช่สัมปราชิกะทะประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้สามีพันยาซึ่งรักใคร่กันต้องการจะเกิดเป็นสามีพันยากันอีกก็เกิดร่วมกันได้ด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการแต่ในตรงนั้นทรงใช้คําว่าสัมมาหมายความาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาในระดับสม่ําเสมอกัน สมุนลดยศีลในระดับสมังเสมอกันก็กระจายออกไปธรรมาทั้งสี่ประการนี้จึงจำแนกอธิบายไว้เป็นอันมากอย่างที่กล่าวมาแล้วคุณสมบัติแปประการที่ประกอบด้วยองค์ทั้งหกประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าทำให้สตรีทั้งหลายในโลกนี้พิชิตได้ทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นมาับันนี้ก็ข อ, อุติไวด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ งอกงามในธรรมนันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วขันทุกท่านเธอ